ซดีธรรมะบรรยายจุดฟันทีไรได้สุขพีโดยพระปรรมภูนาพออรอบริตโตวัดยานเวศกวนตมบุญบางระทึกอำเภอสามรานฎร์จังหวัดนครพนมเรื่องที่4ถึงจะมีความสุขแต่จะให้เป็นสุขแท้ไม่มีทุกก็ต้องปฏิบัติประสบนั้นให้ถูกเมื่อใดเมื่วันที่สิบสองมกราคมพุทธศักราช2 5ง2ันอสีเรื่องที่ พ, ททพูดเปพันทีแล้วแต่ยังนิดหนึ่งตรงเรื่องเวทนาที่ว่าสุขและเจ็บเฉย นีได้พูดไปแล้วว่าเวทนาเนี่ยท่านถึงรู้เป็นกลางๆไม่ดีไม่ถ้วนเนี่ยคือสุกทุกเฉยๆมันเป็ผมเราได้รับเราก็รู้สึกไปมันก็เป็นธรรมดาข้นมาอย่างนั้นและจุดสำคัญก็คือจะมีปฏิกิริยาอย่างไรตรงนี้เพราะฉะนั้นในหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตรงนี้จะเป็นหัวต่อตระหว่างเวทนาและอะไรจะมาต่อถ้าไปตาสมุปการปฏิจจสมุปบาทเวทนาแล้วก็ตันหาเวทนาปฏิกิริยาตันหาคือ ถ, ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าทันก็ตัดวงต่อตรงนี้ไม่ได้เนีก็เกิดปฏิกิริยา จากที่พูดไปแล้ ว, ว่าถ้าเวทนาเป็นสุขก็จะชอบใจหรือภาษาเก่าเรียกว่ายินดีนี่ถ้าว่าเวทนานั้นเป็นทุกข์ก็จะเปิดปฏิกิริยาไปชอบอใจเรียกว่าดีดร้ายอันนี้เรียกว่าตัณหาตัณหาฝ่ายบวกกับฝ่ายลบนี่ถ้าเรารู้ทันก็จะปล่วเวทนาโดยไม่ถูกครอบงำการป่อเวทนานี้เป็นเรื่องตามธรรมชาติเป็นเรื่องวิบากไม่ใช่ไปอัดเวทนาเราไม่มีหน้าที่ไปตัดเวทนาเวทนาันเป็นผลรงค์ปความที่สุดที่เกิดขึ้นคือสำคัญก็คืออเ่างที่บอกว่า ทำในจะไม่ถูกกระทบนําแล้วก็เกจอตรรกะยาที่เป็นดริงจริร้ายพออวิชชาเข้ามาเป็นพื้นฐานดูข้างในปัญญาได้มาตัณหาก็จะตอบตรงนี้นั่นเวทนาเขาจะมาเป็นตัวที่จะทําให้อวิชชาเนี่ยมันทํางานต่อมาเกิดตัณหานี่ถ้าไม่มีอวิชชาก็ปัญญามาวงจรก็ขาดนแต่ข้อที่ต้องการในที่นี้ก็คือไว้เพืให้รู้ว่าเวทนานั้นบุคคลมีสิทธิที่จะโต้รุ่ยเป็นเรื่องความรู้สึกตามธรรมชาติเอาอเท่ากับแปลว่าไม่ให้ต่อไปที่ตัณหาทีนี้เรื่องเวทนา ทุกคนเราก็ต้องการความสุขแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสวกสุขถ้าทีปฏิบัติจะเรื่องความสุขนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันในพระสุขหนึ่งรี่พระเทวัศนสุขอยู่ในพระใจพิโกข์เล่มสิบี่พระพุทธเจ้ากรัถึงวิธีปฏิบัติต่อสุขโดยเทียบเทียงการเรื่องของลัทธิมรนิทนนินนั้นเขาเป็นลัทธิว่าเ็นตะบตคือทรมาตนตวเองมองในแง่พระศาสนาการ เ, าเัมเนตะบันี้ต้อนการเอาทุกประทับถึงตรยซึ่งอาจจะไม่มีทุกอยู่อย่างน้อยไม่มีทุกนั้นนั่นก็เลยพระพุทธเจ้า ถ้าพีผมจะตอบสนาต่อเรื่องความสุขซึ่งมีข้อสำคัญสรุปได้ใสี่ข้อหนึ่งไม่อุทกพับน์ของตนที่ไม่มีทุกข์นถ้าเราถ้าไม่มีทุกข์ก็จะไมอุกปับของตนสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำถ้าสุขนล้ไม่ชอบทำก็ไม่ต้องละทิ้งมันสามไม่สุขที่ชอบทำก็ไม่ติดเลยนะ้าติดเชิญก็อบเมาสิยตกเป็นธาตุของมันนสุขที่ชอบทำก็ไม่ติดไม่สยบแล้วก็สี่สีนี้ก็เป็นเนื้อความถึงการปฏิบัติของประสนั้นก็คือว่า เพียนปฏิบ so the ัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่รับนี้ขึ้นไปเพราะว่าความสุขนั้นไม่ใช่มีเฉพาะแค่นั้นยังมีสุขที่รับนี้ที่ขึ้นไปอีกั่นก็คืพยายามปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ระดนี้ที่ขึ้นไปจึงจะมอในแง่ความสุขนี้สุขที่สูงสุดที่ถือได้ผ่านไปโดยย่ออันนี้เป่นคามโดยย่อนะที่นี่ทนพูดถึงหลักิบัตินาสนาที่กว้ากว่าจะมาสู่นี้ก้างจะพูดได้อีกผมเมว่อมีสุขที่ระันี้จะถึงสมบูรณ์แล้วเนี่ยต่อเลยนั่นกสมีแต่ ก็่ชนคือตินี้ก็เป็นหมายทั่วไปของพุทธศาสนาว่าเมื่อบุคคลนั้นก็ไม่มีอะไรก็ต้องทเพื่อตนเองแล้วไม่ต้องหาความสุขอีกแล้วมีความสุขไป็นต้อบัตรภายในต่อจากนั้นก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อผู้อื่นทั้งหมดถ้าเตืคนนี้เข้าไปก็เท่ากับห้าแตฉะนั้นเียต้องคุ้นใจัาคติของพุทธศาสนาเรื่องสุขให้ดีเพราะว่าถ้าท่านอนนี่จะเป็นเรื่องทุกข์มากแต่กรสุนก็เสียนะเพราะสุขนี้มันก็เป็นทุกข์หนึ่งตัวเลยเ เห็นถึงว่าความสุขเนี่ยมันมีหลายขั้นหลายระดับถ้งเราตัดถึงเรื่องของวันทุกที่เกิดมาเนี่ยความเข้าใจในเรื่องความสุขนี้ไม่เหมือนกันซึ่งเป็นไปนตามระดับการพัฒนาของจิตใจยังเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเล่นมุกคู่ของตัวเองก็สนุกใช่ไหมเราเป็นความสุขของเด็กนั้นนฮพอเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็เล่นพวกตุ๊กตาเส่้เล่นต่างๆเยอะแยะไปหมดแม่เด็เล่นกองไาอะไรต่างๆก็สนุกมากในความสุขทีนี้ ทเทียบในระหว่างคนที่พัฒนาแม้แต่ในระดับชาวบ้านคนที่โตขึ้นมาเห็นเด็กเล่นสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆเหล่านั้นบางทีผู้ใหญ่ที่ไปเห็นก็ําเพราะว่าเด็กเนี่ยยัมีความยึดติดในสิ่งที่เล่นนั้นเป็นของจริงจังมากบางทีผู้ใหญ่ก็ไปแกล้งกอกเด็กก็ร้องให้คือว่าเด็กก็จะรักเห็นในสิ่งที่ตัวเล่นเนี่ยเป็นจริงป็นจังใน ต, ตุกตาเนี่ยเขาจะยึดถือมันจะมีชีวิตใช่ไหมเพราะนั้นนี่ก็เป็นความสุขของเด็กเท่านั้นซึ่งผู้ใหญ่ไม่รู้สึกอย่างนั้นที่ต่อไปก็ ความวามอะไรต่างๆทีนี้ก็เป็นเรื่องของมนุษยุตรชนทั่วไปอันนี้องพเรเจ้าก็จัดมาถึงพระองค์เองพระองค์ก็เคยพูดวายลงกพูดเรื่อความสุดแบบ น, นั้นแต่พระองค์ก็จัดพระองถ้าหากไม่ได้ทรงเข้าถึงความสุขที่ปีกว่าพระองค์ก็จะยืนยันรับรองไม่ได้กพระองค์จะไม่เปียนกลับมหาตามมทธุิความสุขจากรูปเสียงกลินลนน่นรสผดสะพานเรียกว่าการมสุสซึ่งเป็นสุขของมนุษยุตรชนทั่วไป น, นี้องค์พเจ้าเนี่ยก็เข้าถึงความสุข คนทั่วไปสรุความสุ่กันอยู่ก็จะคล้ายๆกับที่ผู้ใหญ่เด็กเล่นเืลิงเล่นอะไรทำนองนี้ท่าเดียบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแง่มุมที่เกี่ยวกับเรื่องของท่าทีต่อความสุขท์แต่ว่าเรื่องความสุบท์ก็มีแง่มุมที่ต้องพูดหลายอย่างอย่างในแง่ที่ว่าความสุบที่ต้องหากับความสุขที่ไม่ต้องหาใช่มหมในความสุบที่คทั่วไปนี่นจะเป็นความสุบทัวเตที่ต้องหานี่ถ้าเป็นผู้ที่พัฒนาไปถึความสุขที่นิ่ขึ้นก็จะมีความสุบภายในซึ่งเป็นความสุบที่กลายเป็นคุณสมบัติของตัวเองของจิตใจตต้้อองงมมีเปป็็นระะจกไ่หา นี่คนที่หาความสุขก็เหมือนกานบอกฟ้องออกมาว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขอยู่ในตัวความสุขนั้นขึ้นต่อสิ่งภายนอกก็ต้องหาในความสุขที่ต้องหาเนี่ยเด้มาจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสามิสุขความสุขที่อาศัยอามิตรขึ้นต่อวัตถุเป็นต้นขึ้นต่อรูปเคกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ถ้าเป็นนิรามิสุขก็เป็นสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรเป็นสุขภายในแม้แต่นิรามิสุขก็ยังมีอีกต่างกันระดับอย่างสุขในระดับสมาธิเป็นสุขทาได้จิตใจซึ่งอยู่ในระดับกุงแต่ลารกลมีสุุเนือกงแต่ คือสุขี่เป็นเรื่องของปัญญาที่ตระบาลแจ้งโล่งก็มีข้อเสียบเท่าอีกอย่างหนึ่งว่าคนมีสุขภาพดีการมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพไม่มีโรคเป็นความสุขหรือไม่ในท่านเราทางร่างกายมาเทียบคนจะแสวงหาความสุขอย่างไรก็าตามถ้าร่างกายยังมีโรคอยู่ไอ้ความสุขทางกายนั้นก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมภาวะที่ไม่มีโรคเลยร่างกายสมบูรณ์เนี่ยเป็นความสุขพื้นฐานที่สําคัญที่สุดนี้เมื่อคุณมีความสุขตันนี้แล้วเนี่ย จอยความสุขอย่างนหรือไม่ก็ได้แต่ขอใจแต่ว่าเรามีทุนฐันแล้วก็ ค, คือความไม่มีโรคก็คือไม่มีทุกข์ใจจิตของบรก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังมีโรคของอกิตอยู่ไปหาความสุขอย่รก็ตามไอ้ตัวเรียกว่าเศแพงือตัวกวข้างในไม่มีตลอดเลยนนความสุขที่สำคัญก็คือภาว ะ, ะไ ร, ท ร, ร, ร้ทุกข์ไร้โรคไร้ทุกข์อะไรก็ได้ภาวะอย่างนี้ภาวะที่เห ม, ารราามือนกร่างกายเรียบกังกายก็เหมือนกับมีสูตภาพดีแแงไม่มีโรคเป็นสภาพจิตของผู้ที่บรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นคาศัพท์หนึ่งที่ใช้โรียก ที่เรามาพูดเปนภาษาไทยไปบ่อยว่าอารมพยาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาภอันราาประเสริฐหรือเป็นลาภอันสูงสุดนะความจริงเนี่ยในตัวครพพะแท้แท้ความหมายที่ลึกซึ้งเนี่ยไม่ได้หมายถึงโรคกาคในใจเนะไม่ได้อแค่นั้นหรอกแต่ว่าตัวบาลีนี่เราจำมันก็ผิดลคือมันไม่ใช่อารคพยาปรมาราพาที่เราจารํ า, า, า, า, เ, าจเพี้ยนให้สะดวกกับลิ้นไทยภาษาบาลีว่าอารคพยะประม า, า, านะราภาลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งในประสมหนึ่งชื่อมาคันที่ยั่งยก็ยูนวัตชมรรคไกรมุติเจ้าก็เป็นสงควทนาธรมมาคัน ก็พูดถึงเรื่องนี้เรื่องของปุบเนี่ยอันนี้ก็ได้ยกข้อคามที่เป็นคาถาที่ขึ้นมาว่าอารพยัครมาลานี่พานันก็รมถูขังี่พูดถึงว่าพาไม่มีโรคเปลาบอย่ยงยิ่งเนี่ยยังไงพานก็เอามือลูกตัวประางนี้ิไม่มีโรคในนั้นายแข็งแรงเนี่ยถือว่าเป็นลาบอย่างยิ่งพระเจ้าบอกเนี่ยความหมายที่แท้ไม่ใแค่นี้หรอความมาที่แท้มายถึ่มีโรคแม้แต่ฐานดจิตใจมนุปุถุชนนี่ในสายตาของพระอริยะรหันก็ถือว่ามีโรคตลอดไปล้ในประสูตรหลวงพ่อเจ้าตรัสว ที่จะมาอวดมาพูดปฏิญาณได้ว่าฉันไม่มีโรคกายเลยเนี่ยตลอดปันหนึ่งวันหนึ่งวัปีหน่วันหรือแม้แต่ในหลายปีเนี่ยังมีคนยืนยันได้แต่คนที่จะยืนยันว่าไม่มีโรคของจิตใจเลยเนี่ยไม่มีเนะี่ยแม้แต่ช่วยหลับสัส่นผู้ที่ไปกลางยืนยันตเองด้อย่างนี้ก็คือพระอาหารหันต์วันนั้นโรคของชีวิตมันก็มีทั้งสองอย่างทั้งการกายและจิตใจจิตใจ ท, ยยทยยี่มีอะไรก็ก ว, น, วนทีก็เศร้าหมองขุ่นวัวบางทีก็เดือดร้อนบางทีก็คลับแค้น บุบไต่างไม่มีความสงบม่มีความระลโล่งเบาเนี่ยก็ถือว่ามีโรคอยูในจิตใจไม่หมายความว่าโรคจิตในภาษามัยใหม่ให่ในภาษาไทยนี่เปลพูดจิตใจนี่เขาจริงที่รงมันทดโยวกันที่เป็นภาษาบลีใจเป็นภาษาไทยะนี้ยติก็ิตตับบาลีใจก็ภาษาไทยในเวลาในการใช้ทั่วไปเนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนกันเสียจิตกเสียใจไม่เหมือนกันใช่ไโรคจิตกะบโรคใจก็ใช้ในความหมายเหมือนกันะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้ถึภาษาแต่ว่าเอาสาระสำคัญก็คือว่าที่แท้แล้วเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยมีโรคทางจิตใจอยู่ตลอดเลยะมีสิ่งที่มันมารบกวน จตใจใ้คุณโมเสาหอเป็นอออปต้นซึ่งใช้คำง่ายๆเรียกว่ากิเลสคำว่ากิเลสเน้นแปลว่าสิ่งที่เร้าหมองจิตใจไม่ปลอดโงในโล่งไม่เบาเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ใช้คำว่าไรทุกข์ในกรณีนี้คำว่าทุกข์หรือคว่าโรคเนี่ยใช้แทนกันไดน้จิตใจที่ไร้ทุกข์ือไร้โรคไม่มีอะไรมารดกวนเลยโ ป, โ, โปร่งโล่เบาสะอาดสวาส่างสดใสเบิกบานอยู่ได้ตลอดเวลานี้ถ้าเป็นได้อย่างนั้นก็ต้องไม่มีตัวปวนเหลืออยู่ซึ่งหมายถึงว่าต้องกำจัดกิเลสได้หมดต้องมีแต่ตาอรหรันนี้คนธรรมดาในบางอย่างทำไม่ได้เราก็ต้องอยู่ในขั อย่างหนึ่งหรือย่างหนึ่งก็คือใช้สัวตัจริงๆอย่างของพระอรหันต์ดำเนินตามปฏิปทาของท่านแต่ว่าอย่างเช่นสมถะพวกสมาธินี่ก็คือวิธีการคุมแต่งจิตสมถานี่ถือว่าเป็นการคุมแต่งขั้นสิ้นนิบาดน่ีติดในขั้นสิ้นแล้วคุมแต่งนิบาตนั้นพยายามที่ทําลายการคุมแต่งเลยไม่ต้องอาศัยการคุแต่งแต่สมถานี่ก็คือการคุมแต่งจิตให้จิตนั้นมันเป็นจิตที่ดีนะแล้วให้ลังของฝ่ายดีฝ่ายความสุขความสงบเนี่ยมันมีความเข้มแข็งมากเลยมัทั้งว่าฝ่ายที่ไม่ดีฝ่ายทุกฝ่ายคุมบวกฝ่ายเล่สามารถจะแสดงตัวออกมาได้ นี่การปฏิบัตเรื่องของภาวนาทั้งหมดจะเป็นสมถะหรือัตนาก็ตามถ้ามองในแง่ น, นี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการที่จะเข้าถึงความสุขนั่นเองแต่ว่าถ้าในโยมใช้คำว่าสุข<น>คําคำว่าสุขเนี่ยเป็นคำที่มันยังมีปัญหามันยังเรียกใช้สัมััใหม่ไ้ก็เป็นสัมผัสมากสัมผัสยังไงะก็คือว่าสุขในความหมายหนึ่งจะเป็นทุกข์หนึ่งความหมายงได้มองในแง่นึงหรือมองในแง่ของคนที่สุขถูกไปก็มองคนที่สุขน้อยนี่ปทุกข์หรือว่าตัวความสุขที่ตัวเองเป็น ที่ตกอยู่ใต้กฎของใจ ร, รับเป็นนิจจังทุก ข, ขงังรัะตาต้องหมาควา ม, มาเปลี่ยนแหลงด้สุขที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปนี้เกิดจากเหตุปัจจัยมันก็แปรเปลว่นไปตามเหตุปัจจัยใชม่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นการอยุดระบไยเมื่อเรามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่ ง, งใใขึ้นแม้แต่ทางจิตใจ่สมาธิก็เกิดจากปัจจัยคือสมาธิพอ้ปัจจัยตัวนี้มันหายไปสตก็หายไปด้วยทีนี้ถ้าคนตัง้งจิตไม่ถูกต้องเราความสุคนี้ก็จะเกิดความรู้สึกเช่นเสียดายเราความสุนคสนี้ที่เราได้มกี้นเนี่ มันทจะเป็นไปกับความยุติธเป็นไปกับความขาดความหายายเกิดขึ้นตามอยู่แต่ไปก็เลยเป็นเรื่องที่ยังไม่พ้นจาทุกข์ทีนี้สุขในขั้นที่แท้ก็ถือภาวะไร้ทุกข์อยู่ว่าคือไม่มีทุกข์เหลืออยู่นั้นในคั้สบูี่ถึงใช้คเจปฏิเสธเพราะว่าที่พูดแปว่าสุขไม่เป็นหลักประกันว่าจะไม่มีทุกข์อีกาทุกของคนทั่วไปนี่จะมีทุกข์ปนอยู่ลึกๆลงไปหรือจะมีเชื่อมีอะไรอะไรที่จะกลับมาเป็นทุกข์ได้นี่ถ้าเป็นท่าหลังก็หมายความว่าตัดเชื้อ เนี okay. ่เป็นพื้นฐานที่มีความสมบูรณ์ในตัวม่ิดไรโรคไรกิเลสไม่มีตัววนไม่มีทุกข์แล้วนีาจะยวสวยสุดยังไรโเดียนั้นก็เป็นจิตที่สมบูรณ์แล้วาจะสวยสุยงไหนก็สวยได้โดยสมบูรณ์่ามนุษย์ปุชนนี่สวยสุดแม้แต่การมสุก็ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวปวนอยู่ข้างในลึกๆลงไปเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ความสุขนั้นไม่เต็มที่นี้ถ้าหากว่าจิตไดพัฒนาสูงู้ไปในการสวยสุดแม้แต่ระดับส่างๆก็จะสมบูรณ์ขึ้นด้วยแล้วก็อยู่ท แต่พระอรหันต์ท่านที่มีติดสวยอยากล่าวามสุขท่านไม่สวัเพราะว่าจิตมันพัฒนาเลยข่้นไปอีกไม่ใช่หมายความว่าจะท่านจะไม่สามารถจะอยาสุข่ไรแต่ซึ่งมัน่บุญชนบางทีก็เลยไม่อยากเป็นพระอรหันต์เพราะกลัวดไม่ได้ร้ยความสุขอย่างที่ตัวถือทอแต่ฉะนั้นก็ต้องพูดว่าโอ้ไม่มีปัญหาเราเพราะเป็นพระอรหันต์มีติดสวัยทุกอย่างแล้วสวยสุขอย่างไหนก็สมบูรณ์ทุกอย่างเลยนี่ก็เพราะว่ามันไม่เปนตัวควแต่มันมีข้อพิเศษขึ้นมาว่าจิตมันพัฒนาพล เราก็ยืนยันตัวเองไม่ได้ว่าเราจะไม่เวียนปับมหาตามาทุภิพุณโภคแต่พระองค์เข้าถึงความสุขที่ตอนนี้กว่าแล้วมันเลยไม่มีความรู้สึกพอใจที่จะสวยสุขอย่างที่ปุตุชนชอบหรือชื่นชมกันอยู่ตอนนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขในเะงี้ยมุนจันทรนี้ท่าพูในไงความสุกแล้วก็แสดงก็จะเห็นว่าพุทธาา น, นะ น, นีพดูดเรื่องความสุขเยอะอยู่ยงกระบวนการปฏิบัติทเคยพูดมาแล้วว่าระหว่างปฏิบัติทำไปเนียจิตมันก็จะห า, ายไปแต่กมากขึ้นมีสุขมากขึ้นอย่างลักษ ความราเริเบบานใจมีปีติอินใจประจิสงบเยนผ่อนคลายตายใจแล้วก็สุขแล้วก็สมาธิน่แล้วจากนั้นจิตเนี่ยจะไปจิตที่เหมาะที่ควรในการใช้งานอย่างดีที่สุดะจะยเฉพา ง, งานทางปาัญญาเมื่อพูดถึงท่านนี้แล้วก็เลยอยากจะให้เป็นตั้งทอยสังเกตเกีย่ยวกับเรื่องของคํานตอนของพุทธศัสนาทั่วไปอย่างคนต่างประเทศอย่างชาวตะวัอตอนตกเนี่ยเวลามาเรียนมาอานพุทธศาสนาเนี่ยก็มาเจอขัอนอนุต ส, สิใช่ขออะไร ก, ก็เจอขอ้อทุกปักเลยก็คาาพุทธศาสนาที่เด เขาก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ผู้นัศาสนานี่นะบางคนก็เอาหนักเลยบอกว่ามองโลกในแง่ร้ายเป็นเท็ชีวิตคือเห็นโลกเป็นทุกข์เป็นชีวิตเป็นทุกข์เราไปเป็ดูหนังสือของฝรั่งอินเทอร์เน็ตวยจะมีเยอะแยะแบบนี้เาบอกว่าผู้นัศาสนาสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์เช่นเดียวนี้แลวการเขาไม่สามารถจะให้ความประจานแจ้งขัดแยนที่เหนือเรืนี้ขึ้นไปแต่นีนี้ฝรั่งบางพวกที่ไม่เคยอ่านผู้นัศาสนาแต่มาลงไทยมาเห็นความเป็นอยู่เขาคุ้คนจะมีความรู้สึกเกิดเรีว่ามเพรสชันคือความระ คื่จะมองว่าพวกชาวพูทธนี่รู้สึกว่ามีความสุขมากอย่างที่ต่อที่เขาดูว่าพี่เลยกเมื่อกีมีฝุนทรังแป็นฐานที่วัดโดยที่ไม่รู้จักกันมาท่องเที่ยวอ้าทำไมมาเขาบอกว่าเขาเห็นคนไทยรู้สึกว่าเอมีความสุขจางเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยซึ่งก็รู้อยู่ว่าเป็นชาวพุทธอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวศาสนาพุทธในสอนอย่างไรจึงเป็นคนที่มีความสุขมากบางคนก็ยกไปไกลถึงขนาดนี้เขาบอกว่าเขาไปตามวันนอกแม่อนาตกคนไทยก็สะดุดจังอยู่วันนั้นใช่ไหมแนวบอกบ้านเมืองเขานี่โอ้งานตกนี่ไม่ไหวเลย ใจมันเครียดไม่ดีเลยส้ายไม่ชอบใจนเ่เอันนี้ก็เป็นข้อที่กำลังเขาสังเกตแต่ว่าบางคนก็พูดอย่างนี้ว่าเช่นเขาดูบนโฮเทลเนี่ยเขามองอทางห น, น้าต่างเขาเห็นตอนเช้าผู้คนเนี่ยบางคนก็ออกมาตับบานหน่าจะยินแย้มอ่ยพิมพ์เขารู้สึกว่ามีความสุขนีเาถ้าเลยเกิดความประทับใจที่ว่าบางคนไทยมีความสุขกนัน อ, นอะไรที่ทให้คนไ ท, ทมีความสุขเ่งที่เราได้ยินบ่อยๆว่าสยามมยิ้มแรรงอัไมาอยงี้นะมีความมีน้าใจก็แสดงถึงิใจที่มีความสุขอยู่ด้วยแลแย้ก็อาจจะโยงไปหาความ้ นี่ก็ให้เห็นว่าคำพูดตัวไหไม่เหมือนกันคือไปอ่านคำสอนจอจวิท่ศรราศาสตร์ผู้เชี่ยวาสอนที่เร่เป็นทุกข์แต่พอมาเจอความเป็นอยู่พระโขนไทยนี่ําพูดเป็นทุกข์อันนี้จะอธิบายอย่างไรก็หันไปพูดที่ตัวหลักคาสอนเพรที่สอน ท, ที่พูดแต่ใ น, นเรื่องิยศสตร์รรร ท, รที่เรื่องเป็นทุกข์เนี่ยคำพูดแค่นั้นไม่พอและอย่างที่ว่าอาจจะทาให้เกิดความประทับใจหรืออิมเพรสชันผิด้ววิทาศาสตรนี่เป็นศาสตที่เน้นย้ำเรื่องทุกข์เน้นมันเน้นย้ำเรื่องทุกข์แล้ว การที่จะเข้าใจอนพุทธศานาโดยเหลักใหญ่เนี่ยก็้นใจมองให้ทุหลักเรื่องอเลสตัดิ่งอยู่เรื่องต้นในทุกแต่ว่าพุทธศสนาไม่สอนแค่ตัวอเัตัสิ่งสคัญที่จะต้องรู้้วยก็คือหลักที่นีว่ากิตในอเลตตัหรือิจต่ออเัตดถ้าเราไม่รู้หลักกิจต่ออเลสตัดเราจะไม่มีความัดเในเรื่องอตดและบาทีก็อาจจะนำาเลสตัดไปปฏิบัติผิดได้คืออเลสตัดแต่ละข้อเนี่ยถ้าจะวางหน้าที่ของคน่อมันสออเลัตัดแต่ละข้อ สอนนี่เราเรามีหน้าที่ต่อทุกอย่างไรแล้วก็สอนในทุกก็ตนุไทยเคยได้เกิดทุกแลเรามีหน้าที่ต่อตระหนุไทยอย่างไรและนนิโรธความหนักทุกแลเรามีหน้าที่ต่อเรีนิโรธอย่างไรเราต้องรักข้อปฏิบัติที่พ้นทางให้ถึงความรับทุกแล้วก็หน้าที่ต่อนมากนี้เราจะต้องทำอย่างไรนีอันนี้จะต้องชัดชัดแล้วก็เราก็จะมองเห็นทั้งท่าทีขอาผู้สอนส่วนหน้าเรื่องทุกแล้วทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยแล้วก็มาดูหน้าที่ต่อนแัดแต่ละข้อทุกเคยทราไหมว่าหน้าที่ต่อทุกคือะไร ใครพลาดต้องหน้าที่ต่อทุกคืออะไรนะฮะกำหนดรู้เป็นภาาบรลีึกออกนะปริญญานีปริญญาทีนี้ไอตัวทุกข์นั่นก็เป็นปริญญาธรรมแต่ว่าจริงที่คุณกาหนดรู้คือรู้ตามเป็นจริงรู้ตามที่เป็นรู้จักมันรู้ธรรมมันทุกนั้นต้องรู้หน้าที่ของเราต่อทุกคือรู้รู้ธรรมมันําหนดให้ได้ว่าทุกข์ที่เป็นใ้มันคืออะไรมันเป็นยังไงนะปัญหาอยู่ที่ไหนปมมันคืออะไรแล้วก็สองเหตุของทุกข์เรียกว่าสมุทัยนั้นหน้าที่ของเราคือประหารนะจัดการลัการแก้กันจำใแก้ไขแล้วแก้จะไปแก้ที่ทุ ใหไปแก้ที่เหตุของทุกข์ต้องตัดเหตุทุกข์วันนั้นเริ่มในทุกข์เป็นปมปัญหาขึ้นมาแต่เราไม่มีหน้าที่ไประทุกข์เราก็ต้องขุดเาเหตุทั้งหมดแล้วหน้าที่ต่อต้นเหตุในถึงละกาจัดแก้ไขัดแล้วข้อที่สามคือนิโรธผ่าดับทุกข์ผาวักไปทุกข์หรือแม้แต่ที่วัตถุไปจุดหมายหน้าที่ของเราเรียกว่าสถิกิริยาสถิติริยาก็แปลว่าการทําให้แจ้งหรือการทําให้ประจักษ์การทําให้เป็นจิ้งทาให้ประจักษ์กับตนเองหรือบรรลุแต่วข้อที่สี่มัดข้อปฏิบัติเรามีหน้าที่อะไร ก็มีหน้าที่น่นคือว่าภาวนาที่ลงมือทําทําให้เกิดให้เป็นให้มีขึ้นนิดสาวข้อแรกทุกต้องรู้จักรู้ทันตะปูไทยต้องแก้ไขการจัดละนิโรธต้องตรวจับแย้งทําให้เป็นจริงบรรลุเข้าถึงทัตำรวจเนี้ยในเวลาลงมือทำมันรับทำที่ดทําทำที่ข้อสีเมื่อทำที่ท้อสีแล้วมันจะจดรู้ทุ ก, แ ล, ก, ก, กทแล้วก็จะกาจัจดตะปูไทยแล้วก็เข้าถึงตรวจจับแย้งนิโรธถึงที่ผ่านแล้วก็แบบว่านั่นเลยว่าถึงที่สุดแห่งทุกคือจบสิ้นหรือไหนเนี่ยเปนัญหาปัญหาตำรวจ ไข้อที่สัเกตที่นีน้ก i mean ็ค no ือต่อการพูดเรื่องพุกต้มาถางว่าาพุฒเนี่ยมีหน้าที่ต่อทุกขือรู้จักรู้ทันมันถ้าเราไม่รู้จักไม่รู้ทันมันเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้นะแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่เป็นพุกนะะฮะพุกเนี่ยเรามีหน้าที่รู้แต่เราไม่มีหน้าที่เป็นพุกเพราะนั้นชาพุฒปฏิบัติถูกเสมองแต่ชาวพุฒกาีที่ปฏิบัติจะมีเข้าเข้าสเพอปฏิบัติทับปฏิบัตห่างพุกกับปฏิบัติสีเพราะฉะนั้นชาวพุฒนี่ยรู้พุกแต่ดูเป็นสิ่ง ให้คุณได้สอนนาไม่สอนให้คุณจทุกข์เนี่ยแต่ท่านบอกว่าถ้าคุณไม่รู้เท่าทานทุกข์ะคุณก็ไม่มีทางจะทุข์จด้วยถ้ารู้จักมันรู้เท่าทันมันนั้นทีนี้ถ้าไมไปรู้เรื่องหลักกินสตว์เนี่ยก็ก็ทำให้ตอบสนงได้าะสรุปตรงนี้ก็คือว่าชาตพุทธนั้นน่ยถือหลักว่าทุกข์เป็นสิ่งสำหรับรู้แต่ว่าสุขเป็นสิ่งสหรับเอ็งั้นถ้าว่าเราปฏิบัติถูกต้องเนี่ยเราจะหาทุกข์มาเป็นสุขมากที่สุดสิ่งนั้นทั้งว่า็นจ์ รู้พุทุได่ก็รู้ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็พูดสมอว่าพุกเป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้ทุก็เป็นสิ่งสำหรับชีวิตของเราจะได้เป็นดะนั้นชีวิตอยู่ก็ต้องมีชีวิตอย่างเป็นสุขสำหรับชาวทุกนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกงงงในชีวิตเป็นสุขแบบงงงต้องทุก็นความรู้เลยนะถ้ารู้ทําทันทุกถ้าเรารู้ท่าทันทุกแลเราจึจะทุกจริงได้แล้วเราแก้ทุกได้ด้วยแล้วถ้าทีผมเลยสอนนะตอเรื่องทุกเรื่องสุขนี้ก็พูดมานี่ก็ให้เห็นแก่หนึ่งประสา ในธรรมะหลายหมวดถ้าเอาไงอย่างง่ายๆนะจะมีทุกอยู่3มหมวดทำรนอย่างที่สำคัญทุกอันหนึ่งก็คือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกความไม่สบายในที่นี้มทำจิตใจโดยสนใจสนใจเรามีความทุกข์เรามีความเพียรเรามีความตรงทนเรามีความเสียใจอะไรก็ได้แต่หรือว่าเจ็บปวดอะไรพี้นะีทุกอย่างนี้ทุกในคมไทยพูดในความมานี้่ามีทุกขเวทนาทีนี้จะมีทุกอีกอย่างหนึ่งคือทุกในอรัอรยก็ทุกที่ท่านสรุกบนสางขีเตนะตัณฑวารฐาั้นาทุกานฐานหานท แล้วก็มีทุกในไลักษณอันนี้าทุกขังนักตาสังขานทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงเป็นอันนี้ารสังขารทั้งหลายทั้งปวงทุกขังเป็นทุกทำทั้งปวงเป็นนัตาไม่ใช่ตนไอ้ทุกข์สามอย่างเนียนะที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีดิฉนั้นก็เกิดความสับส่วนไอ้คว่าทุกทิพย์ว่าในสุดเจที่อาทุกข์ในใจละมีความสังขานทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์คือลักษณะการรรมชาติของสิ่งทุกอยายไม่ใช่ความรู้สึกนะเป็นลักษณะของทุกอย่าง ที่เราเรียกว่าสังขารคือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยตคือสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันก็เมื่อมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก้งมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงคงอยู่ในสุภาพเดิมไม่ได้ภาวะอันนี้มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเราลงมานามาทำไม่ใช่ปชีตของเราแต่ถูกภายนอกตอนดิ้นด่วนเป็นแรงต่างต่ทุก็เป็นทุกวะทัคงนั้นได้ทอยู่ไม่ได้เป็นพาหะที่มากที่ส กิดดับกิดดับกิดดับมันมีการเกิดดับนะวันนั้นคงคนมอยู่ในภาวะเดิมไปแลแล้วก็มันก็ไปในตามเหตุปัจจัยคือไม่มีความเป็นตัวตนที่คงที่ถาหมมีแต่ตนสมมติือที่ปรากฏรูปขึ้นมาจากผลรวมของเหตุปัจจัยในขณะนั้นนะที่เราได้ตนก็คือผลรวมของหรือภาพรวมของสิ่งนั้นที่เกิดจากเหตุปัจจัยทั้งหมดในขณะนั้นปรากฏรูปขึ้นมาอันนี้ก็ถือตัวตนที่เกิดแต่ว่าตัวตนนี้เช่นแท้ถาวกจีจางได้ไหมนะนั้วในทฤษฎีบารณาก็ถือว่ามันมีแต่ภาพรวมผลรวมที่ปรากึตามเหตุปัจยท่านั้น แ้เหตุปัจจัยนีก็เปลี่ยนแปลงไปไอ้ผมรวมภาพรวมมันก็เปลี่ยนไปเยนไปรืก็มีความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้นีเป็นเรื่องของสภาวะของสิ่งต่างๆทั่วไปอันนี้คำพูดในตัวนี้นี่ไม่ใด้ความรู้สึกก็อันนี้เป็นความหมายที่กว้างที่สุดเีนตอนนี้จะมาสัมผันกับมนุษย์ะตอนที่พูดถึงใจรักเนี่ยไม่เกี่ยวกับมนุษย์คือทุกสิทุกอย่างมนุษย์ก็อยู่ในนั้นด้วยรวมแต่ตอนที่มาถึงเนื้อตอนเนี่ยมันจะมาโยงกับมนุษย์ แต่ว่ามันตองมีอะไรอันนี้ก่อนเพราะเป็นทุกธรรมชาติใช่มันถึงว่าเป็นทุกเป็นตัวผม้ถ้ามันไม่เป็นทุกเป็นธรรมชาติมันก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะผมมันเป็นทุกอยู่แล้วแตถ้าคนไม่รู้ทันวันปฏิบัติมันไม่ถูกว่ากเป็นทุกเป็นตัวที่มันแสดงข้อสรุปคือบริจัดเดียร์ัดาติเป็นทุกข์าังเวลาเป็นทุกข์ขังอะไรกแล้วแตนะฮะได้เอาปีเดย์น้ำปทะโยชน์ป็งทุกข์โอ้เรียบิิประ่รักเป็นทุกข์โองเดไยรดทางนั้นเราปฏิบั ละถ้าไ่ไรกว่ากล่าวโดยย่อขันหซึ่งเป็นที่ตั้งขอุปทานเป็นพรจิตไม่รู้คนไม่รู้เท่าทานตปัญญารู้ทนปฏิบัติมันได้ท่าทีที่ม่ถูกต้องความยุติถือว่าต้นริ่มแมีปาตันหลายอย่างที่ว่าเกิดเวทนะแล้วเป็นสุขก็ดีพอเกิดเวชนะเป็นสุขก็ดีได้แล้วก็ถูกเวชนาเข้านําอย่างนี้ก็เกิดกระบวนการข้ามานี้ก็กระาที่เกิดทุกนี่ก็ถือทุกเนี่ยที่มาในอริสคือถการที่ทุกที่มีอยู่ในธรรมชาติจะกลายขึ้นมาเป็นทุกในคน จา ก, กาที่มนุษย์ไม่มีปัญญารู้ทันและปฏิบัติตามนไม่มมถูกต้องน่ยปรากฏมาต่อเชื่อมต่อต้องได้รู้และก็มีความดิมีรยก็เกิดทมอุปทานที่มันถึงันนยอุกเทธนาในมนุษย์ก็มีความรู้สึกที่ว่าซึ่งตามปกติมนุษย์ก็จะมีอยู่แล้วนแต่การที่ว่าทางร่างกายถูกน้ำถูกอะไรถูกของแข็งแล้วก็มีความสึขทีนี้ว่าตอนที่ว่าพอจิตไม่รู้ท่าทาปฏิบัติตรมมินเนี่ยทุกมันจะไม่ดุแพ่นั่นแหละมันก็จะมีเป็นทุกทางด้านจิตใจ แต่ความผิดสติถิมันความตุ่มความตกงความเพียรความแรงต่างความมวสับมั่วอะไรต่างขึ้นมาอีกมากมายเลยแล้วก็ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นตรงนี้ในด้าตอนนี้ก็พูดถึงทุกในสามบทที่ว่านะฮะเทุกในใจรักซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกเวทนาที่มีในความรู้สึกของคนแต่ละทุกอเยตัดทุกที่เป็นตัวเชื่อมที่ว่าจากทุกธรรมชาติมาเป็นทุกในตัวคนถ้านควรู้เข้าฐานปฏิบัติถูกต้องทุกที่มีอยู่ในธรรมชาติขึ้นเราจะไปแก้ธรรมชาติในไม่ได้หลังขาดเล่นไหลมันก็เป็นนัไป ถา all, ้าเราลุทขานก็ทุกข์่อยู่ใรมชก็อยู่ในธรรมชาติของมันไปไม่มาเป็นทุกข์นแต่ถ้าว่าคนไม่รู้ทุการได้ทุกข์ในธรรมชาติเข้ามาเป็นทุกข์นสนี่ก็วางจิถูกต้องก็มีแต่ทุก์ที่เป็นเรื่องของสภาวธในธรรมชาติตามปกติของมันเนีก็ทุกข์ในตัวคนก็บอกไปแต่ที่กอนที่จะถึงท่านนี้ที่ว่าต้องมีปัญญาก็ถืการสุดนั่นเองการสุกอย่างที่ว่าในระดับต่างๆเนี่ยเ่าในระดับที่ทรรมเรื่องการทุทนในอนี็เป็นเารไม่กอดผูกแต่งในภายนุก ทำนมาธิเรื่อของสมีมากมายที่จะใช้แก้ปัญหาใ้บงบทุกไว้สงบใจหยุสงบใจหยุดแล้วนับพักหนไม่ในทุกข์มารบกวนก็บาทีคนเรื่องสมาธิตรนี้พอเป็นสมาธิสมาที่มันจะทาให้จิตนี่พลาดออกมาจากความทุกข์ได้ต้องมีความสุขตอนนั้นก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่วันสุที่เมสุดทุกจาสุขจากสมาธิถ้เรอยเชือตินี่ก็มาจ้าขอเลท่านทนที่ของเราสามารถ้ตอนนี้ได้อีกก็ม่ไหวที่ท่านถบอกว่าแม้แต่ทุขที่ชอบทำก็ไม่ติดสุขจริงนะที่บอกเขาที่ต้องที่ปฏิบัติ เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เอามาพูดให้เห็น่ต่ า, ตางๆงน้อยก็ให้รู้ว่าพุทธศาสนาน่มีาทีเเร่านะและ้วรมไปถึงเรื่องผาทุกทุยเรื่องก็แปลว่าผได้ยากเราบิดพันนหรือว่าติดขัดครับเนาะโดยเฉพาะกบิดพันนีแหละพออะไรมีทุกข์กบิดพันแ้บิดพันใจายก็บิดพันจิตใจเิตที่ไม่ถูกบิดพันก็เป็นิที่ไม่มีทุกข์เนี่เป็นจิตที่โล่งทรงที่เบาบาของใสแล้วถ้าเบิดมา้ผู้ทีท่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาก็จะเรียนรู้วิธีที่จะได้บรร สูงข ta ana ึ yeah. huh. hmm. ้นไปตามลำดับาเแบ่งสุกอย่างที่พูดเมื่อกี mm ้นเป็นตัวอย่างที่ว่าสุที่ิงอาศัยอานิขึ้นต่อุูปรสินเสียภายนต้งเรียนว่าสามมิตแสุกที่ไม่ต้องขึ้นต่อตามสุกก็ไม่ต้องขึ้นต่อตามคุณรูปรสินเสียงหดต้องขึ้นต่อวัถุภายนอกเรียกว่านิราภิษณแลสุกระดับกางเราี่แบ่งท้งสนก็มีแน่บเอาไปเยอะแยะแต่ว่าบางทีรู้สึกเนี่ยในงการเขาพูดก่อนเนี่ยไม่ค่ยชอบพูดถึงชอบพูดเลยทุกเนี่ยแต่จริงต้องเข้าใจอย่างท ต้องคิดไปก่อนเลยเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราเป็ทุกแ น, น่นอนแต่ว่าท่านบอกทุกเป็นสิ่งทำหรับปัญญาทุกข์นะทุกข์รับชีวิตของเราเป็นเพราะนั้นเรารู้ทุกข์แต่ว่าเราไป็ุกุรู้เท่าทันทุกข์กจะอยู่ี่สุดหรือ ย, อยู่อย่างไรทุกข์ในที่สุดเอาเลยครับก็คงจะพูดันวันนี้เท่านี้ก่อนมีอะไรสงสัยหรือเปล่ามีนะมไม่มีอะไรสงสัย